ฉึกเสริญงนี้เอาเรื่องนี้ต่อลองระหว่างพิมพากับสีตัดผะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแล้วก็มองใครมองมนุษย์ในโลกสัตว์โลกทั้งหลายก็ตกไปในสิ่งเหล่านี้มีความเกิดมีความเจ็ยเจ็บตายมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์ย่างเอาแล้ว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 ใช้ชีวิตเพื่อการอื่นให้เป็นอาชีพเรื่องนี้โดยตรงติงดกาบในทางเต็มที่เรื่องชีวิตของเราถ้าเวลาใดมันลู่หรือว่าอะไรชีวิตเวลาใดมันหลงไม่มีชีวิตแล้วเปลี่ยนหลงเป็นลูนล่มันคือเอาชีวิตเกิดม า, าจะเป็นของเกิดมันเกิดหลงก็มาลู่หรือว่าไม่หลงเป็นลู่แล้ว สมหลงดอกไปก็รูดขึ้นมาแทนแย้ไขรตรงนี้ไปก่อนเป็นก้าแรกต้องเป็นเก้าแรกแต่ถึงความไม่เจ่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายมันเป็นผลตอนเดินทางต้องเปลี่ยนตรงนี้อันแล้วจะเดินทางไปอันทางจากกรุงเทพมาสุโขทตเก้าแรกต้อง ออกกว่าออกจากกรุ ง, งเทพถ้าไม่มีทานตรงไหนก็ยังไม่ไปไหนวนเวียนอยู่สิ่งที่ขวงกั้นก็มีในการเดินทางจะลาโจรนปัญหาต่างๆนั่นก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ในการเดินทาง ไปสู่ความไม่เกิดไม่เกิไม่เก็บ ไ, ไ, ไ, ไม่ตายไม่เป็นหาขนาดนั้นนั้นอยู่กับเราแต่ว่าก็มีขวางกัน้นเหมือนกันสิ่งที่ขวางกัน้นใหญ่ๆผูเขาลูกใหญ่ลูกโตเคยขวางของหงอหอนเรียกว่านิวรธรรมเด็กผูเขาคิดพุ่งสาน เงเลสงสัยมีนิสัยหลขะขะจรลิดโทสจะจรลิดปูหะจรลิดเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนไปไหนไม่ได้มองหน้ามองหลังเสืยกปูกคอผปาูกโซกไปไม่ได้ทางใจก็เหมือนเคยชินมันติดมันย่อมเอาเหมือนผ้าที่ย่อมเอาสีต่างๆก็ติดไปทีแล้ว มันไม่ใช่เหมือนสีชีวิตของเราใจของเราจิตของเรามันสามารถที่ซักได้ความหลงไม่ใช่เนือ้อแท้ความทุกข์ไม่ใช่เนือ้อแท้ความโกรธไม่ใช่เนือ้อแท้ความเจ็บเจ็บตายไม่ใช่เนื้อแท้เนือ้อแท้ของจิตคือไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์แต่เดิมแต่ที่มันเป็นมันไปซุกซนก่อนใครชีวิตของเรามันซุกสน เหมือนคนทุกสนในเรื่องต่างๆทุกสนในกามมรคะก็เป็นเอิดทุกคนในความโกรธก็ติดพุกติดตรลางทุกสนในความโลภความหลงก็เป็นพ่อเป็นภยัยเสียหายเพราะใช้ชีวิตผิดภลาดทำไมตัวเองเดือดร้อนทำไมคนอื่นเดือดร้อนในความทุกข์สนเราจึงสามารถถัดได้ หัดก็หานจากนี่แหละไม่ใช่ไปอ้อนวอนที่ไหน ม, นมีสติเห็นกายเนี่ยมันจะหัดตรงนี้ตอมลาเล่มใหญ่อยู่ที่นี้แต่มันไปทางอื่นกลับมาให้เป็นปัจจุบันพรเจ้าที่เกิดเป็นเจ้าขึ้นมาคุณสเรื่องนี้่านผู้ฉันเข้าขการเหยื่อเฉีนออกให้รู้ตรงนี้่านเดินไปข้างหน้า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 ที่เกาะกำพล ก, กูเจอกูเจ อ, อยันน่ะยืนเจนถาวันขาขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมาเขาเห็มาก่อนแล้วไปดูทำอัชันตาอโลล่าที่มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่บัลลังกบัตประเทศอินเดียอลโลล่าเป็นของ กิดกำผลยืนเจนเถาวันพันขาขึ้นมาพันเดียวขึ้นมาปิยกายมีมาก่อนแล้วเป็นศาสด า, า, าของโอเพะยังไปมีคนกราบไหว้กันเป็นจำนวนมากที่ปัจฉนาเกิดทีหลังนับดูก็สอง0ันห้าร้อยเก้าสิบ ปัวปีมานี้เองจากปะินสองพันห้าร้อยห้าสิบสามจากวันตัดจะลูก่อนนี้สี่สิบห้าปีบวกเข้าไปสองพันห้าร้อยห้าสิบสามสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปีเกิดมาเท่านี้แต่ว่าสมร t h เกิดหมางก่อน อย่างน้อยก็มีอาจารย์เป็นหลักฐานอุตกระดาบทอลาดัลาบทที่ประจิตทะออกไปศึกษาเรื่องนี้เป็นได้ฌานสมาบัติก็เลยศึกษาด้วยตนเองไม่เป็นที่พอใจไม่ทั่วไปในประเทศทแต่เราก็มีอยู่นั่งนิ่งไม่ลุกไม่เคลื่อนไม่ไหวบางทีก็เข้าฌานวุ่นวายทำให้ คนเสียเวลาเจ็ดวันบ้างห้าวันบ้างมากินข้าวมากินน้ำมคนก็อาจรรย์เอาชานแบบนั้นฌานจริงๆคือสติเนี่ยอันฌานไม่ใช่หลบไปนั่งในห้องไหนท้ำไหนโูในเขาชานจริงๆคือสติที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรนะเผาจิเลตพาตะชาปนาิจ เขาบากชาปัญจิตคืออะไรเขาบอกชาปัิจิตคืองานอะไรงานผุผ <laughs> ุอะไรเผุซากศพทําไมจึงผุเพราะมันสกปรกเอาไว้มันสกปรกผุกมันเหลือแต่กระดูกให้มันสะอาดเอากระดูกมาใส่โดูดเอาไว้บูชาถ้าเป็นคนทำนาก็เรียกว่าอัธิ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าล่ะเพราะธาตุมีไหมชยที่นี่มีไหมพระธาตุอันนั่นนี่ก็ชาญตรงนี้นแปว่าเผ า, าอะไรคือเผวลิสตินี่แหละมีสติเครื่องเผวจิลิมันหลงลูกขึ้นมาตายไปแล้วกวหลหมดไปแล้ววันทุกข์ลูขึ้นมาทุกข์เผาไปแล้ว มันทุกข์มันสกปกความหลงสกปกความหลงในสกปกที่สุดในเบื่เกื่อนใจเราหลงไปในความคิดถ้าเรามีสติจะโอ้ยเวลามันหลงรู้สึกว่าอยากจะเอามือลูบหน้า อ, อกแต่ก่อนดื้อด้านใ น, นความหลงเฉยจนหลงเป็นสกุลทุกข์ก็ยังเฉยหลงจนาดาตาร่วงก็ยังเฉย ไม่อายบางทีเอาไปอวดกันด้วยเอาความโกดที่เป็นผิดผลข่มหลงไปอ้างกันถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืมแต่กูได้โกรธกูไม่ด่ากูไมยอมถ้ากูได้โกรธ ก, ก, ก, ก, กูไม่ด่ามันไม่ยอมแล้เนี่ยด้าดืด่าก็มันรู้สึกตัวมันทาไม่ได้ มันจะหมดไปสิ่งสุปกปลุกลั่นจะหมดไปเขาว่าฌานตัว น, นี้คือสติเนี่ยสติอย่างยิ่งอย่างพระเจ้าปะลิมพานตรงไหนละสุกละทุกขได้มีสติเป็นเอกมีจิตเป็นเอกผุดขึ้นจากสุขจากทุกมีสติแล้วแหละอยู่ปะลิมพานตรงนี้ไม่ใช่ประนิมพานที่ไหนอยู่ที่นี่ มีสติเนี่ยเห็นอะไรไม่เป็นกับอะไรหลงตาเลยพูดแบบสรุปสรุปสรุปไปเลยทราเจ้าก็มองสัจจิจตะมองแบบสรุปมองแบบไหนพระจิจตะออกบวชนี่มองกันแบบไหนมองแบบสรุปเห็นเกิดต้องไม่ไม่เกิด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 มันโลนไม่เป็นผู้โลนเห็นมันโลนมันเหน่าไม่เป็นผู้เหน่าเห็นมันเหน่ามันหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นมันหิวมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้มันตายไปแล้วเห็นมันย็นมาดูตัวเองดูแบบภายในมองกลับ้าเป็นดวงตาก็กับเข้ามาด้านในไม่ออกไปข้างนอก มีการเห็นเราสอยยางเต็มยมูกตั้งสองลูปากก็มีแต่สายยางนิ้วมือทุกนิ้วมีแต่สายยางนมในอกมีแต่สายยางอะไรที่มีแต่สายยางเต็มไปหมดน้าเบื่อหน่ายที่สุดวางทิ้งกัเลยเอาเล่ามาตรงใช่มันแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะมันหายใจไม่ได้เขาไม่ต้องหายใจมันละ ไม่ออกลมหายใจมาเป็นการต่อรองชีวิตไม่ต้องตายเพราะกลองหายใจไม่ต้องเก็บเพราะความเก็บอยู่เฉยๆเลยบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ได้หรออยู่ได้พออยู่ได้ก็อยู่ไปเลยที่ว่าตายไปเอานั่นเนี่ยแล้วใจทำยังไงแน่นอนต้องเก็บต้องตายชีวิตเราเนี่ย ตรงนี้แหละทำเป็นละอย่างทําให้มันเป็นจึงเมืาหัดให้มันเป็นไม่ใช่มาจํามาให้เรียนรู้ทุกคนนั่งอยู่นี่มีแต่ลูทั้นั้นไม่ใช่มีใครไม่ลู่แต่ลู่นี่คนอื่นสอนเราแต่การนําไปเป็นเนี่ยเราต้องทองําไ็นเวลามันหลงลู่ขึ้นมาเนี่ยทําเป็นไหมเมื่มันอะไรมันลู่ขึ้นมาเนี่ยให้มันทําเป็นตรงนี้หัดอย่างนี้ไปก่อน เห็นทุกคนเรื่องนี้มันลึกกระมมีความรู้มือวางไว้บนเขาก็รู้ได้ทุกคนไป แ, แขงมือก็รู้ได้ยกมือก็รู้ได้วางมือหลงรู้ได้พ่วงมือหลงรู้ได้เวลามันหลงมันก็รู้ได้เพราะเราดูอยู่เนี่ยมันหลงไปกลับมาเนี่ยมันกลับได้ปะจจคือกลับตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ให้มันได้ดันนานมีจิตตั้งไว้นาน นิสติต่อเนื่อง น, น, นานๆมันจะงอกงามเหมือนลากต้นก้าต้นก้าต้นแค่เนี่ยเอาไปปักลงในดินมีนความชื้นโบสมงครไม่ปักมันก็ไม่เป็นต้นหญ้ามันงอกขึ้นมายังลากลงไปลองต้นโตขึ้นเกก้าขึ้น ใหญ่ขึ้นกลายเป็นเม็ดข้าวเอามากินเป็นเลือดเนื้อของเรางอันจากสตินี่เป็นอะไรซับเป็นมรรคเป็นผลมรรคผลไปใช่อ้อนวอนเอาเงินดอนทองไปซื้อเอาไม่มีทางมีเงินล้่นเงินลอยร้านซื้อออกไม่ได้ต้องทำเอาเองเป็นอะไรซับแบ่งกันกันไม่ได้เวลาท่านหลงคนก็ต้องเปลี่ยนหลงเป็นลูกเอง แล้วคุณโกรธคุณต้องเปลี่ยนโกรธเป็นลูกเองตรงเนี้ยตรงกันข้ามอย่างเนี้ยมันสรุปแบบเนี้ยไม่ลึกลับเลยแต่ก็ทําได้ไม่ใช่อาจารย์นั่นเข้าฌานโอ้ยท่านทําได้ผมทําไม่ได้เราทำอะไรไม่ใช่เพราะฌานคือสติเนี่ยไม่ใช่ศอนีห้คนเป็นนั่งทิ้งลูกทิ้งเหงือทิ้งบ้านทิ้งช่อง ถ้าจะเป็นต้องสัญญาความรักกันกัรักกันจนตายแต่บางคนไม่มีสัญญาก็ไปเลยใช่ไหมไม่ใช่หรือว่าสัญญาใครหรอถ้ามีสัญญาก็ต้องให้มันสุจริตซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือเฉละดในทางปฏิบัติชีวิตของหลอประเทศไทย มีสาานศาสนาแบบนี้มีวัดแบบนี้มีนักบวชแบบนี้มีสถานที่แบบนี้มีอาชีพแบบนี้อาศัยบินธบาีเลี้ยงชีวิตโดยลาแข้งในีคนก็มาช่วยเรามันก็สะดวกไม่ต้องทําไรทํานาผิดวิ น, นัยวิจูไปทาาาาํานาอาชีพอาชีพหาอาชีพค้าขายไม่ได้มีแต่สู้ายสู้ตายไหมไม่คี หรือว่าห่วงหน้าห่วงหลังอยู่อยากให้โศตรอยเลยชวนคนมาก็ไม่ค่อยมีใครมามาก็ไม่จริงจังเราจะไปที่ไหนกันพวกเราเนี่ยการรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนอยู่ที่รุ่มอยู่ที่เมืองอยู่ที่ป่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่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 พระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดในโลกองคุติมานจับดาบไล่ฟันอยู่โหยจังคิดจะช่วยเหลือองคุติมานจนช่วยได้มีใครบ้างที่เป็นอย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้นักสอนศาสนาทักหลายไปชมกันเขยกให้พุทธศาสนาเป็นศา ส, สนาที่ยอดเยี่ยม ผมว่าสาจจดาของเขายังพูดถึงการฆ่าแต่สาจจดาของพวกเราไม่มีเลยคําว่าพูดถึงการฆ่าไม่มีเราจึงเป็นศาสนายอดเยี่ยมเขาก็ตั้งในศาสนาศัจดาของเขาพูดถึงการฆ่ากันยังมีอยู่ทั่วทั่วไปในสาจจดาทั้งหลายในศาสนาทั้งหลายในโลกเนะี่ยเมื่อโลา มีาชาต ด, ดาถือว่าสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยในพุทธประวัติให้อ่านดูตั้งแต่กำเนิดเกิดมนาะตอองพระสิทธัตถะเป็นอย่างไรจนออกบวชได้ตัดรูปเป็นเจ้าใช้ชีวิตเป็นน้าวบวชเป็นอย่างไรมีหลักมีฐาน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 ถ้าสงสารตัวเองได้แล้วแต่ก่อนเราไม่เคยช่วยตัวเราเลยปล่อยให้เราบกุกบุนคุณคิดคิดงช้าลพัอยากอะไรก็คิดได้พอมาดูล้วโอ้ยสงสารปล่อยให้ความคิดเล่นไปหมดพลังงานตั้งเครื่องก็ว่าฝันรังวันก็ว่าคิด กลางคืนเป็นขวานกลางวันเป็นเปลวไม่หยุดไม่เย็นสักทีก็ามาลู้ตัวเองขึ้นมาอนาน้ำตาซึมเป็นหลอยวันนะเรื่องนี้พ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนแต่พอรู้เรื่องนี้แล้วก็โอ้ยขอบคุณคุณพ่อคนแม่ที่ให้เรามีชีวิตอยู่เป็นกําเนิดเกิดชีวิตของเรามามีลูกมีนม้ํา มีกายมีใจเพื่อแล้วความชั่วทำความดีได้รูกที่ได้มาจากพ่อจากแม่จะทําอย่างนี้แต่ก่อนเราลูกทิฏได้มาจากพ่อจากแม่ทํานี้อาจา ก, ก็ไปดูไปด่าใครคิดก็คิดทําลายตัวเองคิดปีดเวียนตัวเองคิดปีดเวีย น, นคนอื่นคิดถึงความโลภไม่ดูจกจบจากชิ้นไม่ดูจักอิม่มสงสารตัวเอง พอล่องนี้ก็ค่ายกับว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ก ด, ดไม่หล่นพอมได้ไปบอกแม่จะคิดว่าจะช่วยพ่อพ่อก็ไม่มีแล้วตอนนี้จากตั้งแต่เต้นเด็กๆเดีด๋ยวแต่แม่ไปบอกแม่แม่คุ้มข่าแล้วที่ให้ชีวิตลูกชายมาหนึ่งคนนะ เม่เสียข้านาำนมน้องนี่เรานี่ยทำไงนะช่วยตัวเองได้ไหมเรากโกรธพ่อแม่ไม่อยากให้เรากโกรธสงสารพ่อแม่โกรธไม่ได้เราทุกพ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกสงสารแม่ทุกไม่ได้เราหลงแม่พ่อของเราไม่อยากให้เราหลงสงสารแม่หลงไม่ได้เราจะเอาแม่เนี่ย ได้มาเนี่ยพ่อเนว่ยมาทำความดีประละความชั่วจะไปทำทุกอย่างที่เป็นความดีไม่สงหวนชีวิตที่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยให้มันคุ้มค่าเราศึกษาที่ไหนปฏิบัติธรรมที่ใดถ้าไม่เปลี่ยนที่ตัวเรานี้จะไปเปลี่ยนที่ตรงไหนที่ไหนจะจริงใจเหล่านี้แหละจะยิ่งใหญ่มันหลงมีสิทธิไม่หลง มันโกรธมีสิทธิไม่โกรธมันทุกมีสิทธิไม่ทุกเป็นธรรมะที่ปัายเมื่อมันเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นโลกาที่ปฏายเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นธรรมะที่ปฏายประโยชน์ต่อธรรมอะไรเป็นธรรมขึ้นมาให้ควาเป็นธรรมทุกอย่างไม่ตินไม่ใยไม่เบียดเบียนเล่ท่าต่างๆไม่ทำลายตินพระอากาศไม่ทำลาย เราจะป้องกันด้วยเจ้าทุดความสามารถนี่เราจะมีชีวิตแค่นี้ไม่เอาอะไรอีกขอใช้ชีวิตอย่างนี้นั่นนี่ให้เราทุกคนเนี่ยให้มันเห็นมันรู้เรื่องนี้ซะตื่นแต่ดึกสึกแต่หนมอย่ารอให้เท่ากันเจอะแค่เจอ เ, เท่าเข้ามาแล้วมันทำอะไรค่อยได้ เช่นพระชีตออกบวชอย่างงองชีวิตนะตั้งแต่หกปี16หกปีเนึ่งระก็เจ้าคือตัวสร้างปราสาสสำลูเพื่อผูกมัดให้อยู่าามาเคยมีสีให้พิมพาาาดด์าหนสวยปราสาทสำลูเราสนมกำนันนายเจินเกิดพระรองขนขึ้นมา ในช่วงนั้นอายุเขยี่สิบเก้าพัษาอดไม่ได้แล้วเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ ก, กันอดไม่ได้เราไม่ได้อีกแล้วนายเก๋ไปคนนี้ไม่ได้อีกแล้วออกสนดุดสัญญากันอย่างดีกับพิมพ์ภาเราก็ศืิตะก็ลักพิมพ์ภาพิมพ์ภาก็ลักศืิตะถากลักของเราสองคนเท่านี้ไม่พอ ให้ความร็กของเราเป็นเรื่องของโลกล็อกคนทั้งโลกที่จะสมศักดิ์ศรีแห่งความรักถ้าลรคนทั้งโลกจะต้องทําไงจะต้องหาคํำตอบตรงนี้ให้ได้กา น, นเกิดต้องมีความมาเกิดถ้ามีเจต้องมีความไมา่เจตถ้ามีเจ็บต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีความไม่ตายหาคํำตอบมาช่วยคนทั้งโลกมาช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้ได้ เราสักหน่อยได้ไหมพิมพ์พาก็ประสูติเราหุ่นใหม่ก็ยังอ่อนในอายุยังช่วยเดงมาค่อยได้สุดาก็คงไม่ลําบากสาสนมไม่เยอะพิมพ่าไม่ต้องทําอะไรไม่ลาบากสุดทาอยู่ก็ไปช่วยเรื่องนี้มีแต่สนมกําลังในไม่ลําบากพิมพ่าจะอยู่ที่ไหนไม่ลําบาก เด็กอพยศสามหลูอยู่ไหนอย่าไปไหนอย่าไปเที่ยวติเรดอนตรงไหนอยู่รชาชวังไม่ลําบากตกลงกันอย่างเลยเชีย่ยเลยเอาเถอะพร ะ, สะเสด็จ พ, พี่เสด็จพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ลักถ้าบุยไปไหนนี่ตกลงกันอย่างนี้นี่มนุษย์ไปจะยิ่งใหญ่ขนาด น, นี้นะ หับผิดชอบเรื่งก็เกิดเจ็เจ็บตายของสัตว์โลกนะเป็นสามันละจั่งทุกชีวิตต้องมีตรงนี้แนะ่ไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวใครตัวมันไม่ใช่มีเกิดมีเจมีจะบ ม, ม, ม, มีตายทุกผลในเรื่องนี้อตอบแล้วเนี่ยมาได้นะไม่สมชื่อว่าเป็นเจ้าป้าจ่าจึงมีศาสตนะขึ้นมาพุทธศาสตนะขึ้นมา จนมาถึงพวกเราทุกวันนี้เราก็ได้ประโยชน์มีอนุสงฆ์กติส า, าหลังนี้เปนอนุสงฆ์ของผู้เจ้ากี่บอลที่นุ่งอยู่นี่เป็นอนุสงฆ์ของผู้เจ้าอาหารที่เราได้กินทุกวันนี่เป็นอนุสงฆ์ของผู้เจ้าเก็ป่วยไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสองปีหมดมันเป็นล้านๆเป็นอนุสงฆ์ของผู้เจ้า ราจะอาอย่างไงในชีวิตของเราเน่ยเลือกได้ในประเทศไทยเนี่ยอยากมีสถานที่แบบนี้อยากจะท่าทายอยากจะท่าทายเรื่องนี้มันนานเหลือเกินโตัวท่าทายว่าถ้าใครมาจเจริญสติอย่างนี้อขอพูดขอรับผิดชอบก็งคำสอนพระเจ้าผููใด้เจริญสติอย่างต่อเนื่อง 1>, 1วันเจ็ดวันอย่างกลางหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนอย่างช้าที่สุดหนึ่งปีเจ็ดปีจะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นแน่นอนกต่คนโบรานเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายแน่นอนที่เจ้าท่าทาอย่างนี้ไปอ่านหนังสือธรรมวิจารณ์ดูนักธรรมชั้นเอกตอนตาก็จบนักธรรมอ่านเหมือนกันชอบได้ การไปเรียนนักธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเรียนจากกรรมฐานเนี่ยเรียนไปแล้วก็ไปอ่านหนังสือประกอบไม่กี่วันถึงเวลากใกล้สอบก็อ่านหนังสือดูอันไหนที่มันควรจำเพื่อไปอ้างเองก็ไปสอบกัาสอบไหมจะให้ขึ้นเหมือนชีสอบเนี่ย น่าจะสอบนะน่าจะอ่านนะพวกเราที่อยู่นะนักว่าเสียนสนุสูนให้เรียนนะเรียนแล้วก็สอบเราไม่แค่ไปสอบไปอยู่ที่ไหนสอบแล้วเพื่อมาดับเพื่อจะรับผิดชอบรงนี้กันก็คิดว่าจะไม่พาหลงที่หลงทางไม่พาผิดศีลเติตธรมให้เชื่อฟังลองดูขึ้น เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอุปชาอาจารย์อาจารย์ทักไงต่อโรกศิษย์อาจารย์ก็บอกไม่ปิดบกกังคำพังขยานสอนชินบะวิทยาอย่างนี้ไม่สอนอย่างอื่นที่นี่สอนกรรมาทฐานบอกทย่างนียเออล้วมันหลงไม่หลงได้อยู่เร า, ามันโกรธไม่โกรธได้อยู่ เ, าเลามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อยู่ไม่ปิดบงังคำพัง เราเมื่อเกิดจิตตตาไม่เป็นไปคำบรรดาโยมันหลงคิดมันก็เกิดจากความหลงนี่แหละเป็นเจ้าบ้านเจ้าเหลือนความหลงเป็นบิดาเป็นบรรดาของความชั่วความรู้สึกตัวเป็นบรรดาความดีกุศนเอากุศแยกตรงนี้กุศลคือมีสติอากุศลคือหลงนี่มันแยกตรงนี้ทุกคนมีสติทําหน้าอย่างนั้น ลองเอาไปศึกษาดูพราเจ้าจ ะ, จะไปไหนป้องกันให้จะไปศึกษาที่ไหนถด้าตามทำยังไงแดบอกเราภากได้มีศักดิ์ศรีไปฝากมีอันเตวาสิกที่วัด ป, า, ปาสโกโตูประสงค์จะไปศึกษาธรรมกับท่านขอให้ท่านเมตตากรุณาสอนเธอคนนี้ เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่างมีปัญหาอะไรบอกมาอย่างต้นสังกัดเราจะรับผิด ช, ชอบให้ตรงมาลูกศิษย์เราก็เอาหนังสือไปให้อาจารย์มีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ไปมาจากไหนมาจากสุโกโต้ไม่มี่ลอะไรหรกคาไม่มีการป้องกันนะอย่างลุงตาไปอยู่กาชมทานเจาน้าคนปรญญาลัทธิหมอนไป ต้องมานีมนหลงพระเทียนขอหลงพระเทียนมาขออนุญาตหลงพระเทียนหลงพระเทียนก็บอกว่าขอจา ก, กเจ้าคุณจังหวัดเจ้าคุจังหวัดเลยเป็นฝ่ายปกครองให้เจ้าคจังหวัดทรงไปไม่เขียดไม่ศักดิ์สิจ้าังหวัดก็ฝากไปหลัตงตายอยู่นี่อาจารย์เจ้าคุณพญานาก็ฝากลูกศิษยมาอยู่ที่นี่เหมือนกัน พระที่วัดชมนม์ฐามาอยู่นี่หลายรูปนะมีหนังสือฝากมาว่าถ้าพวกเราจวบสองจะไปไหนบอกนะเรารับผิดชอบป้องกันให้ทิศทั้งปวงป้องกันให้ทุกทิศทั้งปวงไปสู่ทิศใดทางใดบอกฮนะเราผิดชอบว่านี่เป็นสติวาลิกเป็นเดวาสิก ข, ของเราถ้ามีอะไรยังไงสั่งมา ถ้าจะว่ า, กาวกเกนนะ่าตะเกิดนี่ก็เป็นอย่างนั้นทำไม่ไหนของเราป้องกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปไหนอย่างเช่นไปเดินทุด่ดงไปพักที่วัดหนึ่งจังหวัดประจวบขากลับามาเดินทุ่งดอจากสวนงมวกถึงเมืองเลยเลยนะเดินทุ่งดอจากเมืองเลยถึงเชียงใหม่เลยกลับมาพักพก็ที่วังจังหวัดประจวบอําเภอบางสะพาน มาเย็บผ้าผ้ามันขาดน่าจะขอนอนค้างคืนที่วัดเขาคืนเดียวไปผ้าเหมันขาดเปิดผ์ผ้าปะผ้ากันอยู่โดยไม่ได้กกลับไปเดินจงกรมเล่นอยู่จะวาดมาเห็นเท่าเห็นเย็บผ้าอยู่เลยบ อ, อกว่าเจ้าผ้ามาให้ว่าว่าไม่เอาถือผ้าสามผืนพอใส่ได้ก็ใส่ไปก่อน เห็นเดินจงกรมอยู่เขาก็อบอกว่านี่หมุนอยู่นี่นสอนยอดสอนโยนช่วยผมด้วยเพราะว่าไม่ได้ถ้าจะให้ผมมาอยู่ต้องขอหลวงพ่อเทียนก่อนหลวงพ่อเทียนอาจารย์อยู่ที่เมืองเลยแล้วเขียนเราจะขอจะมาจู๋ไหมถ้าหลวงพ่อเทียนใหม้มาก็จะมาถ้าหลวงพ่อเทียนไม่มาก็มาไม่ได้เพราะอาจารย์ของผมอยู่ที่โ น, น้นก็เลยท่านก็เลยเขียนจดหมายไปขอ เ น, นี่ไม่ใช่เราจะยืดหมูยืดแมวกันตามทําไมเป็นกันใครจะไปไหนบอกบอกลากันดีๆเราจะป้องกันน่าเนี่ความอยู่ร่วมกันรับผิดชอบจนตาอแม้ไม่ใช่ดูสิตแย่นี่ก็เรลังมีเจ้าภาพมาสร้างตีไว้หลังหนึ่งเพื่อคนที่ป่วยวาระสุดท้ายมาจากไหนก็ได้เราจะดูแล แล้วมันมีชีวิตดีๆอยู่ไม่มาให้มันป่วยใจจะขาดมาที่นี่จะสอนตรงเนี้ยจะสอนตรงมันใจจะขาดเนี่ยรับรองนะไม่ทอดไม่ที่ยงนะถ้าหลวงตายังมีชีวิตอยู่ให้สร้างกติไว้ใกล้ๆกับหลวงตาจะได้ดูแลมีสราระเกิดหลังหนึ่งเพื่อมีญาติมาพักคนป่วยอยู่ที่นั่น เราจะดูแลเรารู้จักรงงบานไม่ใช่เราเป็นหมอจะดูแลใจเวลามันจะขาดนะช้ายังไงนะี <laughs>